สลทั้งมวนบัดนี้เราได้ค้นพบสิ่งที่เราปรารถนาแล้วและนามาฝากสิ่งนี้คืออมตะธรรมอันบุคคลผู้เดิมแล้วไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปยะโสตราเอ่ยเราได้รู้แจ้งแล้วว่าความสุขอันเป็นโลกิยะทั้งมวลมีที่สุดเป็นทุกข์นั่นที่ราคะคือความกำหนัดอาศัยความเพลิดเพลินทั้งมวล มีที่สุดเป็นความเศร้าความพอใจในภพทั้งปวงเป็นการร่างไปหาหมุนฐานเพลิงสลุกโผรนความสง บ, บเยือกเย็นขึ้นปลาเสจากใหญ่ทั่นเองคือระงวัลอันประเสริฐที่รนุษควรขึ้นให้ถึงเยโสธราเออยไม่มีความสบบุขใดเสมอโดยความสงบไม่มีความสงบใดเสมอโดพปานิพานการดับกิเลสทั้งปวง พระจามมณีจบพระพุทธดํารัตนเพียงเทวีเพระนางนนโสธราทรงเข้าพระไทยบ้างไม่เข้าพระไทยบ้างแต่ยังทรงชุ่มชิ่นพระไทยที่ได้เห็นอดีตพระสวามีและได้ฟังพระกระแสะพุทธดํารัตนซึ่งพระนางไม่ได้สดับละเสียเป็นเวลานานนานถึงเจ็ดปีพระนางทรงรู้สึกว่ากระแสะพระพุทธดํารัตนนั้นเปลี่ยนไปเล็กน้อย เปลี่ยนจากความอ่อนหวานนุ่มนวลแบบโลภิยชนมาเป็นความสงบยเยือกเย็นหน้าทึ่งในสันติภาพและสันติภาพแห่งพระพุทธธรรมรัตนั้นแต่ดวงหััยของพระนางยังมิอาจก้าวขึ้นจากหลมคือโลกิยะตด้ วันต่อมาพระานางจะทรงสอนให้พระราหุนกุมารไปขอสมบัติเป็นส่วนของบิดากล่าวคือรัตจะสมบัติอันพระถากดทรงมีสิทธิ์แต่ทรงสละเสียราหุนกุมารก็ทรงทําตามพระสวัณีพระมหาโมนีสากยะบุตรทรงสดับดังนั้นทรงตรัสว่าบุตรน้อยของเรามาขอโลกิยะสมบัติอันไม่ยั่งยืนพระองค์จะทรงประทานโลกุตระสมบัติแก่พระราหุน ทรงดำเนินชนีแล้วจงรับสั่งให้พระสารีบุตรบรรพชาพระราหุลเป็นสมณเณรเป็นสมณเณรรูปแรกในศาสนาของพระตถาคตพระเจ้าสุทโธเทนะทรงเดือดร้อนประทศไทยในการบรรพชาสมณเณรราหุลเรื่องพระนันทาครั้งหนึ่งแล้วพระพุทธบิดาทรงตั้งความหมางไว้ว่าพระนันทาโอรสแห่งพระมหาประชาบดีโคตมีจะกสืบสันติวงแทนพระองค์ เมื่อทรงละทิ้งประกายแต่พระศ า, าสดาก็ทรงชักชวนให้บวชเสียทิ้งให้คู่อภิเศกของพระนันทะเป็นม่ายันมากพระเจ้าสุทโธนะจึงทรงเรื่องความหวังมาตั้งวัตถุราหุลพระพนาตาเพื่อให้ครอบครองแพ้่สากยะต่อไปแต่แล้วความหวังของพระองค์ก็สูญสิ้นอีกพราะไม่อาจทนได้ต่อไปจึงเสด็จไปเฝ้าพระศ า, าสดากราบทูลว่า พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนนี้หม่อมฉันตั้งความหวังไว้ว่าพระองค์เองจะเป็นผู้สืบสันติองค์รับช่งวงเสวยสจัดจากหม่อมฉันแต่แล้วพระองค์ก็ส่งทอดทิ้งไปโดยไม่ใยดีก่อความโทรมนรัตแก่หม่อมฉันครั้งหนึ่งแล้วต่อมาหม่อมฉันได้หวังพระนันทะพระอรุชาต่างพระมารดาของพระองค์พระองค์ก็ทรงชักชวนนัน tha ออกบวชไสีอีก คนสุดท้ายคือราหุลกุมารซึ่งหมอมฉันหวังนักหนาว่าจะเป็นราชาแห่งก บ, บิลพัทต่อไปแต่หมอมฉันเขาต้องปิดหวังอีกจะทำอย่างไรเล่าพระองค์ผู้เจริญหมอมฉันพูดอะไรไม่ถูกแล้วพระตถาคตเจ้าทรงดุษณีไม่ไดตรัดตอบประการใดเลยที่แล้วก็ขอให้แล้วไปเถิดพระเจ้าสุโทโธทนะตรัสต่อไป แต่เบื้องหน้าแต่นี้จะบวชลูกใครหลานใครหรือสามีของใครก็ควรใช้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือภันยาของเขาอนุญาตเสียก่อนอย่าให้ภูมิเงินเกิดร้อนเพราะรับทีอนณาคาริกะของพระองค์เลยขอถวายพระพรอาตมาภาพขอรับปฏิญาข้อนี้คือต่อไปเบื้องหน้าอาตมาภาพจะไม่ยอมบวชให้ใครและจะตั้งเป็นธรรมเนียมมีให้สาวกของอาตมาภาพ บวชใครที่พ <advantages! S 1> ่อแม่ผ <peace> ู <ame> ้ปกครองหรือพัญญาของเขาอย่างไม่อนุญาตก็แล้วแต่บัรนั้นมาพระศาสดาก็ทรงตั้งเป็นธรรมเนียมมาจนกระทั่งุกวันนี้ ห้ามบวชผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือมารดาบิดาปัญญาหรือหากเป็นข้าราชการก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเสียก่อนพระผู้มีพระภาคทรงอนุโลมตามพระพุทธบิดาด้วยประการาชนีพระศาสด า, สดาทรงดำรงพระองค์เป็นธรรมราชาทรงไงขึ้นความยุติธรรมทุก ป, ประการ ว่าทรงมัญญิพระวินัยให้พิสุสาวกของพระองค์เคารพกันตามอาวุโสแล้วการแจกเ ส, สนาสนะแก่พิสุพระเจ้าที่แจกเ ส, สนาสนะก็แจกเ ส, สนาสนะดีให้แก่พิสุผู้มีภาษามากกว่าและแจกรถหลั่นกันลมาตามลำดับทรงให้สามเณรแม้บวชแล้วหลายภาษาต้องเคารพสการะพิสุแม้ผู้บวชในวันนั้นคราวหนึ่งมีพิสุมาเท่าพระศ า, าสดากันมาก จนเสนาสนะไม่พอสามเณรราหุลต้องสละเ ส, สนาสนะของตนให้แก่ที่สูอาคันตุกะแล้วไปอาศัยอยู่ในเวชจักุดีแล้วขัดกรอนจะนอในส่วมนั้นเพราะผู้มีประภาคไม่ทรงทราบเลยว่าสมมเณรราหุลพุทธโอรสไปประทับอยู่ในเวชจกักรดีดเสด็จไปสู่ที่นั้นโดยปกติทรงกระแอมขึ้นก่อนก่อนที่จะผลักประตูสามเณรราหุลก็กระแอมรับ ใครนั่นพระาศาสดาตรัสถามข้าพระพุทธเจ้าราหุนพระเจ้าข้าสมณีราหุนถูนตอบมาทําไมอยู่ที่นี่ราหุนเสนาสนาคไม่พอพระเจ้าข้าเธอตั้งใจงจะนอนที่นี่ตลอดคืนหรือพระเจ้าข้าออกมาก่อนราหุนพระาศาสดาตรัตรตรสด้วยว่าสมณีราหุนเสด็จออกมา ตวาบังคมพระธะาคตเจ้าและนิ่งอยู่พระชอมนีพระทับยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งพระจินตนาการของพระองค์ได้ย้อนหลังไปไกลอนิจจาสมเด็จราหุลพุทธโอรสผู้ประสูติแล้วในราชสกุลมีสิทธิในราชสมบัติครองความเป็นใหญ่แห่งจอมชนในแผ่นดินในภายหน้าทั้งพระมารดาและพระบิดา ล้วนเกิดในตระกูลกษัตริย์อาศืบช่วงกันมาหลายชั่วอายุคแต่ต้องมานอนในเว็จักรดีช่างหน้าสงสารอะไรเช่นั้น ทรงชักชวนรูปพระเกษาอันสั้นของพระโอรสน้อยด้วยความตาดีแล้วจูงพระหัตย์กเดินไปเราจะฝากเธอให้นอนกับพระรูปใดรูปหนึ่งทศาชาตินำสมเด็จราหุลไปฝากให้นอนกับพระรูปหนึ่งซึ่งมีอัตยาสายงามแล้วให้ทรงประชุมสงผ่อนพระพุทธบัญญัติอมาให้สมเด็จนอนในห้องเดียวกับพิสุได้แต่ต้องไม่เกินสามคืน เดิมทีเคยทรงบัญญัติพระวิัยไม่ให้สา ม, มนเณรนอนในห้องเดียวกับพิสุปอาศัยเรื่องสา ม, มนเณรราหุนเป็นปฐมเหตุจึงทรงผ่อนผันลงมาด้วยพระกรุณาและการละวสิกขุน ค, คือการผ่อนปลนตามเหตุการณ์อันเหมาะสมตลอดเวลาที่เป็นสา ม, มนเณรและตลอดถึงอุปสมบทเป็นพิสุปแล้วพระราหุนน้อมพระทยัยไปในการศึกษา ทรงเป็นผู้ว่าง่ายไม่เจอญิงไม่กระด้างไม่ทะนงตนว่าเป็นพระโอรสแห่งจอมสงทรงค ว, ควักไข่พอพระไทยในการศึกษายิ่งนักยิ่งได้ระษารีบุตรเพิ่อในทางปัญญาเป็นอุปชัยยะด้วยแล้วยิ่งเป็นโอกาสให้พระราหุลทรงศึกษาพระพุทธพจน์อย่างแตกฉานจนกระทั่งในระยะต่อมาพระคาสดาได้ทรงชกช่องพระราหุลว่า เป็นยอดแห่งภาษาโวคู่ค่ายในการศึกาา ที่สาวกควรภูมิใจและคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระราหุลพระราหุลเห็นพระศาสดาแต่ไกลจึงเตรียมน้ำล้างพระบาทไว้ เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาใกล้แล้วจึงถวายบังคมแล่ล้างพบาทพระเจอมมณีเทน้ําน้ำพระบาทนั้นเสียให้เหลือติดผ้าชนะไว้หน่อยหนึ่งแล้วจัสถามพระาราหุลว่าราหุลน้นําในผ้าชนะนี้เหลืออยู่มากหรือน้อยเหลืออยู่น้อยพระเจ้าค่ะดูก่อนราหุลน้นํานี้เหลืออยู่น้อยชั้นใด ค, ความเป็นสมณะก็เหลืออยู่น้อยสําหรับผู้พูดเท็จ ท, ทั้งทั้งที่รู้ฉะนั้นแล้วพระองค์ทรงคว้าผ้าชนะนั้นเสียพรางถามราหุลน้นํายังเหลืออยู่ในภาชนะนหรือไม่ไม่เหลือเลยพระเจ้าค่าราหุลคุณความเป็นสมณะก็เหมือนกันไม่เหลือติดอยู่เลยสำหรับผู้จงใจพูดเท็จสัมปชานมุสาวาท ราหุนก็จกหน้าเขามีไว้ทําไมมีไว้สําหรับสองดูหน้าเพื่อกาจัดตำหนิที่หน้าพระเจ้าค่าถ้าหน้าไม่มีตำหนิเรียบร้อยดีบุคคลผู้นั้นจะปลื้มใจหรือไม่ปลื้มใจพระเจ้าค่าราหุนก็จกเขามีพระสลับมองดูตำหนิที่หน้าฉันใดบุคคลผูใช้ปัญญาพิจารณาดูกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมของตนฉะนั้นกรรมใดที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนพึงเว้นคำนั้นเสียเพราะคำนั้นยอมให้กาไรคือความทุกข์ให้ผลเป็นความทุกข์ส่วนกรรมใดตรงข้ามพึงทงรคำนั้นอันมีความสุขเป็นกำไรมีความสุขเป็นผลพระราหุนผู้ใคร่ต่อการศึกษาอยู่แล้ว ได้ฟังพระพุทธเจารัสเช น, นี้ก็น้อมรับในความเคารพปลื้มใจว่าพระศาสดาทรง อ, รอนุเคราะห์ตนผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมได้รับการอนุเคราะห์จากผู้หวังดีในความรู้ที่แปลกและใหม่อยู่เสมอ ม, มือคนจานวนไม่น้อยสงสัยในเรื่องกุศลกรรมและอกุศลกรรมหรือความดีความชั่วว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่ว จากการกระทําอย่างหนึ่งคนพวกหนึ่งเห็นว่าดีคนอีกพวกหนึ่งอาจเห็นว่าชั่วหาข้อยุติจะยากแม้จะมีคําจํากัดความอยู่แล้วว่าการกระทําคําพูดและความคิดอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนให้เดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนและไร้ประโยชน์อันนั้นแหละเป็นความชั่วส่วนที่ตรงข้ามเป็นความดี กานั้นก็ตามยังมีข้อแย้งอีกมากมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นปัญหาทางปัจจัและจริยศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาธนนท์นี้เกิดขึ้นจึงควรสรุปไว้ขั้นหนึ่งก่อนเพื่อผลในทางปฏิบัติว่าสิ่งใดที่เห็นว่าชั่วโดยสามาสำนึกของตนนั่นเองก็เว้นสิ่งนั้นเถียสิ่งใดที่เห็นว่าดีก็ทําสิ่งนั้น ไม่ต้องใช้สติปัญญาหารายละเอียดอ่อยมากเกินไปเพียงใช้สามัญสำนึกเท่านั้นความจริงเท่าที่ประจักษ์แก่คนจานวนมากมีว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามัญสำนึกบอกว่าชั่วแต่บุคคลผู้นั้นก็ยังละเว้นไม่ได้และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามัญสำนึกบอกว่าดีแต่เขาก็ยังทำไม่ได้หากบุคคลสามารถเว้น ส, สิ่งที่รู้สึกว่าไม่ดีได้ทุกอย่าง และทําสิ่งที่รู้สึกว่าดีได้ทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนที่ดีไปเรื่อยๆส่วนความดีข้ายละเอียดนั้นเขาก็จะมองเห็นด้วยตนเองเมื่อใจประนีติ่มตามลำดับและความชั่วยาละเอียกก็จะถูกล่าไปเองเมื่อใจสูงขึ้นจนรังเกียจความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยฝ่ายพระนางเจ้ายาโสทราเมื่อพระสวามีทรงผนวดแล้วทรงมีความหวังและอบอุ่นอยู่ที่พระราหุล บัดนี้พระราหุนก็บททีอีกและไม่มีทางที่จะสึกออกมาครองคราวัตเลยเป็นอันขาดเพราะนางหมดโอกาสที่จะรื่นรมต่อสิ่งใดทรงดำริว่าเมื่อใครๆอันเป็นที่รักบทกันหมดแล้วเพราะนางก็ควรจะบวทบ้างจึงเสด็จออกผนวชเป็นภิกษุณีและได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในการต่อมา พระนางเจ้าโยโสธราและพระราหุลได้หลุดพ้นจากบ่วงทับวงได้รับรางวัลแห่งชีวิตที่ดีที่สุดบัดนี้พระนางโยโสธราได้ประจักษ์ชัดด้วยพระองค์เองแล้วว่าการจากไปของพระศาสดาซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าแก่พระนางในเบื้องต้นนั้นมีผลเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมในเบื้องปลายลักษณะช่นี้เอง บุคคลผู้มีสติปัญญาจึงไม่ควรตีโพยตีภายในเมื่อประสบความขมขื่นในบางครั้งบางคราวเพราะสิ่งที่ทําให้ขมขื่นในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากในวันหน้าท่านองเดียวกันไม่ควรหลงระเริงในความสำเร็จบางอย่างจนเกิดไปเพราะสิ่งนั้นอาจชักนําไปสู่ความยุ่งยากในภายหน้าได้เหมือนกันปฏิบัติได้ตามนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้คงที่ไม่หวันไหวหรือมีความหวั่นไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีนําไปสู่ความสงบสุขบางคนมีความภูมิใจในบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปแล้วเที่ยคุยไม่รู้จะจบสิ้นควรสมนึกว่ามีคนไม่กี่คนดอกที่เขาภูมิใจด้วยจริงๆแม้เพียงเรื่อนหนึ่งแห่งความภูมิใจของเราทั้งนี้ เพราะว่าจุดสนใจและแนวโน้มในความภูมิใจของคนไม่ค่อยอยู่ในจุดเดียวกันคนหนึ่งอาจภูมิใจที่สุดเมื่อได้รับสิ่งนั้นแต่อีกคนหนึ่งขาดไม่รู้สึกอะไรเลยความสําเร็จช่นนี้จึงไม่มีความหมายอะไรสำหรับเขาเขาไม่มีความขยินในสิ่งนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัทนั่นเองวันหนึ่งพระเจ้าสุโทโธทนะทูลว่า เมื่อพระศาสดากําลังบำเพ็ญทุกขารคุริยาอยู่นั้นมีคนมากราบถว่าพระศาสดาสิ้นพระชนเสจะแล้วแต่พระองค์ไม่ทรงเชื่อทรงมั่นพระทัยว่าหากยังไม่สำเร็จสิ่งที่ทรงประสงค์พระศาสดาจะไม่สิ้นชีวิตเพราะผู้มีประภาคทรงสดับเรื่องนี้แล้วตรัสเล่าให้พุทธบิดาสดับถึงสมัยเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นธรรมบาลกุมาร ธรรมบาลกูมาลเป็นบุตรนายบ้านชื่อธรรมบาลเหมือนกันและในหมู่บ้านชื่อธรรมบาลทุกคนในครอบครัวของธรรมบาลล้วนแต่ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในศีลเรื่งการเบียดเบียนในหมู่บ้านธรรมบาลนั้นประชาชนตั้งใจประพฤติตนอยู่ในสุจริตและไม่เคยมีใครตายตั้งแต่หนุ่มต่อมาเมื่อธรรมบาลกุมาลเจริญเติบโตพอที่จะศึกษาเ ร, าเรียนได้แล้ว ปิดาก็ส่งไปเรียนเสีอปาศาสตรสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกเมงตักกศิลาขณะที่เรียนอยู่นั้นบุตรของอาจารย์คนหนึ่งสิ้นชีวิตลงสิษย์คนอื่นพากันร้องไห้เศร้าโศกเสียดายว่าบุตรของอาจารย์ไม่ควรตายแต่เป็นหนุ่มแต่ธรรมบาลกุมารไม่ร้องไห้เพราะได้รับการอบรมในเรื่องมอรสติภาวนามาเป็นอย่างดี และได้รับการอบรมในคุณธรร ม, ม อ, อื่นๆจากสกุลให้มองเห็นชีวิตอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงสิบร่วมสนักพากันสงสัยว่าเหตุใดธรรมบาลกุบาลจึงไม่ร้องไห้จึงถามกันขึ้นธรรมบาลตอบว่าการร้องไห้ไม่ทําให้คุณตายคืนชีวิตได้และเขาก็ปราศใจเหมือนกันว่า ทำไมบุตรของอาจารย์จึงเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มที่บ้านของเขาไม่มีคนตายตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยพวกสิทธ์ได้นาความนั้นเรียนให้อาจารย์ทราบอาจารย์จึงถามว่าจริงหรือธรรมบาลที่ว่าบ้านของเธอไม่มีใครเคยตายตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเลยข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพระเจ้ายืนยันความข้อนั้นทุกคนอยู่จนชราและตายเพรนอายุ เธอทราบไม่ว่าราะเหตุวยคุณในหมู่บ้านของเธอจึงไม่เคยมีใครตายตั้งแต่ยังเป็นหนุกเพราะทุกคนประพฤตริรมตั้งตนอยู่ในสุจริตเว้นจากการเบียดเบียนไม่ประพฤตินอกใจพัญญาและภัญญาก็ไม่ประพฤตินอกใจสามีอาจารย์ที่สาป่ามโม่ใข่ทดลองเห็นจริงด้วยตนเองจึงมอบหมายงานในหน้าที่ของท่านให้ธรรมบาลกุมาร ดูแลไว้ก่อนตัวท่านเองออกเดินทางมีห่อกระดูกแพะไปห่อหนึ่งไปสู่หมู่บ้านธรรมบาลถามหานายบ้านเมื่อพบแล้วชายชราผู้เป็นอาจารย์ทิสาปาโมกก็นั่งลงร้องไห้แสดงอาการเสียใจในการสูญเสียชีวิตของธรรมบาลคุมานเขาเป็นคนเรียนดีมีความประพฤติไม่น่าจะดวนตายทั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม อาจารย์ที่สาปาโมกพูดกับบิดาของธรรมบาลทุกคนในครอบครัวของธรรมบาลกุมารไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นตกใจอะไรเลยบิดาของธรรมบาลกุมารถึงกับหุรอกออกมาก่อนพูดว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงที่กรุณานําข่าวนี้มาบอกให้ตนเองแต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อท่านอาจารย์ดอกข้าพเจ้าไม่เชื่อว่า บุตรของข้าพเจ้าจะตายตั้งแต่ยังหนุ่มตระกูลของข้าพเจ้าไม่เคยมีใครต า, ตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวแม้มารดาของธรรมบานกุ ม, มารก็กล่าวอย่างนั้นพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายก็กล่าวอย่างนั้นอาจารย์ทสา ป, าป่าโมกแก่ห่อผ้าออกแล้วก็ส่งกะดูกให้ดูพลางกล่าวว่าท่านเชื่อหรือไม่เชื่อ ก, ก็แล้วแต่ท่านเถิดแต่นี่ คือกระดูกของธรรมบาลกูบาลข้าพเจ้าขอมอภั้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้ไม่หนักในการถือกระดูกสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งกลับไปท่านจะเอากระดูกไว้ที่นี่ก็ได้แต่ถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อหรอกว่ากระดูกนี้เป็นของบุตรแห่งข้าพเจ้าบุตรของข้าพเจ้าต้งองยังไม่ตายอย่างแน่นอน เมื่ออาจารย์ที่สาปามโมกทดลองจะไม่ที่แม่ใจแล้วว่าคําที่ธรรมบาลกุมารกล่าวนั้นเป็นคําจริงอย่างน้อยก็เป็นความเชื่อถือของตระกูลธรรมบาลอาจารย์จึงเล่าความตามความเป็นจริงให้ฟังทุกประการตลอดถึงการที่ตนมาที่บู่บ้านธรรมบาลเพื่อทดลองว่าคําพูดของธรรมบาลกุมารเป็นความจริงหรือไม่เพียงใดแล้วอาจารย์จึงถามว่า ท่านนายบ้านท่านประพฤติทธรรมอย่างไรมีคติประจําใจอย่างไรท่านจึงไม่เชื่อว่าบุตรของตนจะตายตั้งแต่เป็นหนุ่มได้โดยธรรมดาความตายย่อมไม่เลือกความหนุ่มความแก่แม้แต่เด็กก็ยังตายตายแม้แตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีข้าแต่ท่านอาจารย์พวกเราเป็นผู้ประพฤติทธรรมประพฤติพรมจรรย์คือการไม่นอกใจพัญญาของตน และพัญญาก็ประพฤติพรหมจรรย์ไม่นอกใจสามีของตนพวกเราเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามไม่เกี่ยวเกาะในทางกามกับหญิงอื่นนอกจากพัญญาของตนพวกเรามีกามมาสันโดดพอใจรักใครแต่พัญญาของตนนอกจากนี้พวกเรายังประพฤติอยู่ในสุจริตเว้นจากสุจริตเว้นการเปลีย่ยนแปลงเพราะฉะนั้น ชีวิตของพวกเราจรึงยั่งยืนจนแก่เท่าไม่มีใครตายเมื่อยังเป็นหนุ่มอาจารย์ได้ฟังดังนั้นเรื่องใสามากลาบิดาของธรรมบาลกุมารกลับไปสู่สำนักตักกศิลาได้นำออธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติด้วยพระจอมุนีเล่าเรื่องนี้จบลงและจัดแกพุทธบิดาว่าแม้ในการก่อนสมัยที่พระพุทธบิดา ทรงเป็นบิดาของธรรมบาลกุมารก็เคยไม่ทรงเชื่อมาแล้วเหมือนกันซึ่งคำบอกเล่าว่าพระองค์สิ้นชีวิต สเสด็จจากกบิลพัทจาริกโปรดเวณยสัตว์ไปตามลําดับในที่ต่างๆจวบจนภาษาที่ห้าประทับอยู่ณคูตาคาราสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีณที่นั้นพระพุทธองค์ได้ทรรราาาบบขข่ววกปะะชองงพพุธิดดจไ้เสด็รรดจดดจากเวสาลีสู่นครกบิลพัทเพื่อทรงทําหน้าที่ของบ ที่อันจะพึงทำแกบิดาเมื่อยามป่วยไข้เพื่อเจ้าสุดโทธนะนั้นทรงพระชรามากแล้วพระโอรสพระนับดาและพระปนัดดาได้ออกพนวดกเป็นส่วนมากทำให้พระองค์ทรงว้าเวอยู่ไม่ร้อยโดยเฉพาะเวลาทรงพระประชวนอยากทอดพระเนตรประพุทธเจ้าพระนันทพระอาหนนและสมเณราหุน พอเป็นที่อบอุ่นพระไทยด้วยประกาศราชฎาเพระมาหาโมนีสากยะบุตรแวดล้อมโดยมูภิกษุสเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัทแล้วรีบเข้าเฝ้าพระบิดาและทรงกระทำทุกอย่างในหน้าที่อันบุตรที่ดีพึงกระทำเช่นการต้อนพระกยาหารน้ำให้สงสนารพระกายหรือเช็ดพระวรากายด้วยน้ำอุน่นหรือน้ำเย็น พ ร, พร้อมกันนั้นทรงปลอบประโลมพระไทยได้วยทำอยู่หลายวันจนพระพุทธบิดาได้สําเร็จอรัรตผลและนิพพานโดยยังไม่ได้อุปสมบทและพระาศาสดาได้ทรงทํางานเกี่ยวกับพิธีถวายพระเพลิงพระศรีรักแห่งพระพุทธบิดาด้วยพระองค์เองพระาศาสดาผู้ทรงพระคุณอันเสริด โดยทรงท่านสอนพุทธาทสาวกทางเครหอขัดและบรรพชิตด้วยทรรมใดพระองค์ก็ทรงประพฤติธรรมนั้นเป็นตัวอย่างเมื่อถึงโอกาสเข้าไม่สักแต่เพียงสอนผู้อื่นอย่างเดียวพระองค์ทรงชี้แนะอยู่เสมอให้สาวกเห็นคุณของมารดาปิดาและพยายามหาโอกาสตอบแทนท่านเพราะท่านเป็นผู้อนุเคราะห์บุตร ท, ที่เกิดมาแล้วด้วยดวงจิตที่อ่อนโยนยิ่งจึงเป็นพรหมเป็นอาจารย์คนแรกของบุตร เป็นผู้อันบุตรพึงเคารพบูชาพิสุบางรูปมารมาดาบิดาลำบากไม่มีใครเลี้ยงจะไปทูลลาพระาศาสดาเพื่อสึกไปเลี้ยงท่านแต่พระาศาสดาจัดว่าแม้เป็นพิสุก็เลี้ยงมารดาบิดาได้ทำกิจที่บุตรควรทาแก่ท่านได้เช่นการซักผ้าให้อาบน้ำให้และให้อาหาร โดยปกติธรรมดาอาหารที่พิกษุบิณฑบาตได้มานั้นมีพระพุทธบัญญัติท่ามให้แก่กฤหัตก่อนจะให้ได้ก็ต่อเมือ่อตนได้ฉันเสร็จแล้วหากให้แก่กฤหัตก่อนชื่อว่ารำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาให้ตกไปแต่สําหรับกับมารดาบิดานั้นทรงพระพุทธอนุญาตพิเศษคืออาหารที่ภิกษุสแสวงหาได้มา โดยบินฑบาตหรือวิธีใดก็าตามชอบทำหากจะให้มาดาปิดาบริโภคก่อนก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าทาของที่เขาถวายด้วยศรัทธาให้ตกไป ย่อมให้เกียรติและยกย่องบุตรทีดาผู้เลี้ยงมารดาปิดาของตนและสงเคราะห์ญาติในฐานะอันควรบุคคลแม้บวชแล้วเป็นบรณชิตก็ไม่ควรเพิ่มเฉยต่อศิลธรรมเบื้องตน้นคือการบำรุงเลี้ยงมารดาปิดาทรงยกตัวอย่างสัตว์หลายชนิดที่เลี้ยงพ่อแม่ของมันเมื่อพ่อแม่แก่เท่าหากินไม่ได้ช้างเชือกหนึ่งเลี้ยงพ่อแม่ซึ่งตาบอดอยู่ในป่า เมื่อถูกจับได้เนื่องจากเป็นช้างที่มีลักษณะดีมากควรแก่การเป็นขชาทานควรแก่พระราชาเขาจึง น, นํามาตบปลอกไว้ประดาประดาด้วยขชาพร อ, อันประเสริฐให้อาหารอย่างประนีแต่ช้างนั้นยืนน้าตาไหลยอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมบริโภคอาหารไม่ยอมดื่มน้ําเพราะระลึกว่าตานี้มาดาบิดาจะบริโภคอะไร ใจเป็นห่วงกังวลถึงแต่พ่อแม่ทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายวันจนสู้พร้อมต่อมาพวกควานช้างจึงสือทราบว่าช้างนั้นเลี้ยงพ่อแม่ซึ่งตาบอดทยู่ในป่าจึงทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชารับสั่งให้ปล่อยชา้างล้ไปดูเถิดช้างเป็นสัตว์เวลาชานยังมีความสำนึถึงป่านี้ฉนัยเล่า มนุษจะพึงละเลยการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาเสียขอให้ทราบซึ้งเกิดว่าน้ำใจของมารดาบิดาที่มีต่อลูกนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรปานแม้สัตว์เดรัจฉานเป็นต้นว่าแมวและสุนัขยังรู้จักหัวงลูกรักลูกเพื่อขาดลูกสแสลงหาที่ปลอดภัยทุกครั้งที่มันมีลูกต้องสู้พ้องโอดอาหารและต้องให้นมแก่ลูก มนุษย์เล่าจะมีความรู้สึกเล็ดลื้อสักปานใดในบุตรอันเกิดแต่ อ, อกไหลเลือดเนื้อเชื้อไขของตนต้องบำรุงเลี้ยงเป็นเวลานา น, านปีอดหลับอดตอนหยุดความเพลิดเพลินต่างๆเพื่อทําสิ่งอันจะสร้างอนาคตของลูกการยบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาจึงเป็นหน้าที่ที่จะได้รับบุญหลั่งไหลตอบแทนมากเหลือเกิน พระบรมศาสดาพระองค์นั้นทรงมีพระพุทธจริยาอันประเสริฐไม่ได้ทรงถือพระองค์ว่าบัดนี้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องทําหน้าที่ของบุตรที่ดีแต่ทรงกระทําแก่พระพุทธบิดาทุกอย่างให้พระสาวกทั้งหลายได้ถือเป็นทิฏฐานุคติและดาเนินตามพระองค์ทรงตระหนักดีว่าแม้พระองค์จะทรงเป็นอะไรอะไรก็ตาม แต่ความที่พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าสุทธูทนะและพระนางมายานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงใดใไ ด, ได้แม้พระองค์จะทรงดํารงตำแหน่งจอมสงและจอมปราดอันมีพระนาประพฤติไปทั่วชมพูทวีดหากทรงละเลยปฏิการกิจต่อพระชนกพระชนนีแล้วจะต้องถูกตำหนิอย่างแน่นอนแต่ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระจริยาอันบริสุทธิ์ประดุจแท่งทองชมพูนุชใคร่เล่าจากตำหนิพระจริยาของพระองค์ได้ชาวพุทธช่างน่าภูมิใจเสนกะไรที่มีระศาสดาผู้ถึงพร้อมได้วิชาและจรณะเห็นป่านี้พระองค์ทรงมีกรณะวสิการคุณคือการผ่อนผันเรื่องราวให้เหมาะสมกับเหตุการณ์อยู่เสมอทั้งพระองค์และระสาวก จึงอยู่ในสังคมได้โดยผาสุขไม่ตึมเกินไปไม่หย่อนเกินไปสมัยหนึ่งภิกษุสาวกของพระองค์ชาวเมืองอารบีตัดต้นไม้เองบ้างให้คนอื่นตัดบ้างเพื่อนำไปสร้างกุฏิบางเอื้อนไปตัดต้นไม้อันเป็นเจดีย์ของชาวบ้านเข้าคำว่าต้นไม้อันเป็นเจดีย์นั้นหมายถึงต้นไม้ที่ชาวบ้านครบรับถือว่าศักดิ์สิทธ เป็นที่เคารพบูชาของพวกเขาเชื่อว่ามีเทวดาผู้เป็นสัมมาธิฏฐิอาศัยอยู่คอยช่วยเหลือดูแลทุกสุขของพวกเขาได้ตำนานเล่าว่าเทวดากโกรธแค้นมากอยากจะลงชีวิตภิ่สูงลึกนั้นเสียแต่เห็นว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงลิกเกลีพระไทยจึงไม่ได้ลงโทษทิ่สูรูปนั้นแต่ประกาศใด เทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่นัดต้นไม้นั้นรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลเรื่องราวให้ทรงทราบโดยตลอดมิได้ปิดบังแม้ความคิดของตนเองพระพุทธเจ้าทรงประทานสาธุการดีแล้วเทวดาดีแล้วที่ท่านไม่ฆ่าพิสูจนั้นหากท่านฆ่าพิสูจแล้วจะมีบาปเป็นอันมากแล้วรับสั่งให้เทวดา ไปอยู่หน้าต้นไม้ซึ่งว่างเทวดาอยู่ต้นหนึ่งเรื่องก็เป็นอันระับไปแต่ว่าเสียงของชาวบ้านไม่ไดหยุดพากันติเตียนว่าให้พุทธมรทีพิสุกแม่กับต้นไม้เป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายหนึ่งสามารถกดเปื้องต้องการคําครหาของชาวบ้านที่เคารพนับถือต้นไม้เสได้สองทำให้พิสุกมีอาจาระมันญาติหน้าเคารพเลื่องใส สเป็นการสมุนป่าในตำนานเล่าว่ามีทำอยู่ข้อหนึ่งสำหรับรุกขเทวดาเรียกว่ารุกขธรรมหรือพฤตธรรมคือตอนน้นไม้ที่เทวดาสิงสถิตยอยู่นั้นถูกตัดรุกขเทวดาจะมีความคิดร้ายแต่คุณตัดไม่ได้และทําร้ายควตัดไม่ได้เทวดาผู้ใดโล่งละเมิดรุกขธรรมนี้คือไปคิดร้ายและทําร้ายควรตัดเข้า เทวดานั้นจะต้องถูกห้ามเข้าเทวดาสันิบาตหรือเทวสมาคมหากรุฑกกเทวดามีอยู่และไม่มีรุ ก, กธรรมข้อนี้แล้วมนุษย์ที่ตัดต้นไม้เพราะไม่รู้ว่ามีเทวดาอยู่หรือไม่จะลำบากมากเพราะจะถูกเทวดาทำร้ายเอาการทำร้ายของเทวดาย่อมทำได้ฝ่ายเดียวมนุษย์ไม่มีทางต่อสู้ แทวสมาคมคงจะเห็นความจำเป็นในเรื่องที่มนุษย์จะต้องอาศัยไม้ไปทำบ้านเรือนทับประสัมภาระอื่นๆและทำฟืนหุงข้าวท้มแกงเป็นต้นจึงได้วางระเบียบเรื่องรุกธรรมหรืพอพระธรรมไว้แต่เมื่อเทวดารักษารุกธรรมอยู่ดังนี้มนุษย์จะพากัดต้นไม้สมบูตป่าพวกมนุษย์เองก็เดือดร้อนอีกฝนจะไม่ตก น้ำจะท่วมได้ง่ายและและดูแห้งแล้งไปหมดมนุษย์สมาคมจีนตรารุกธรรมขึ้นเองห้ามนุษย์ตัดต้นไม้ในเขตป่าสงวนเพื่อรักษาต้นไม้และป่าไว้เทวดาก็ได้อาศัยมนุษย์เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเพราะพุทธบัญญัติห้ามตัดต้นไม้นี้เป็นการณวสิกตาจริยาของพระพุทธองค์โดยแท้ เหล่านี้ทูลอ้อนวอนให้ทรงแสดงเรื่องและอดีตจึงกล่าวว่าพิสูจนทั้งหลายในอดีตการบุตรเจ้ากาศิกราชครองราชสมบัติโดยธรรมในเมืองพาราณสีพระองค์ทรงมีพระสนมมากแต่นางเหล่านั้นไม่มีใครมีบุตรเลยประชาชนพากันเดือดร้อนว่าจะไม่มีราชชุมานผู้สูตรสันติเยงจึงชวนกันมาประชุมที่พระราหลวง ลเรื่องทั้งปวงให้พระราชาทรงทราบว่าการที่พวกเขามาประชุมกันนี้ก็โดยวิตกกังวลเรื่องผู้สืบสันติวงศ์ขอพระองค์ทร ง, งพิจารณาเถิดพระราชากาศิกราชทรชสงสดับแล้วทรงขอบใจราศดรที่มีความจงรักภักดีและหวังดีต่อพระองค์และราชบัลลังก์แล้วรับสั่งให้ประชุมมเหสีและสนานารีทั้งปวง ขอให้ทุกพระองค์จงบำเพ็ญคุณความดีแล้วอธิษฐานปราถนาบุตรหรือไหวบอนเทพเจ้าขอให้ประทานบุตรให้บรรดาสนมนารีเหล่านี้มีพระนางเทวองค์หนึ่งทรงนามจันทเทวีผู้เป็นอัครมเ ah ห e สีเลือดกว่าหญิงทัมปวงพระนางสดับพระดำบัตของพระราชาแล้วก็ทรงรับเพื่อปฏิบัติตาม จึงทรงสมาทานอุโบสถในวันเพ็ญเรื่งสัพพาพรทัพวงบรรทมเหนือพระยี่ผู้น้อยทรงระลึก ถ, ถึงแต่สีของพระองค์ก็ทําสัจเกริยาว่าหาข้าพเจ้ารักษาสีไม่ขาดขอบุตรจงมีแก่ข้าพเจ้าธรรมาคุณดีมีสีมีธรรมอันงามมาเดือดร้อนเทวดาย่อมพลอยเดือดร้อนไปด้วยดังนั้น ท้าวสกกะผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพทรงทราบความเดือดร้อนของพระนางจันทเทวีแล้วทรงประสงค์จะช่วยเหลือทรงไถ่ครวญถึงผู้ที่เหมาะส ม, มื่อมองเห็นพระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเชิญพระโพธิสัตว์เทพบุตรให้ลงมาจุติในคันของพระนางจันทเทวีเพื่อบำเพ็ญบรารมีให้เต็มเปี่ยมต่อไปพระโพธิสัตว์ก็ทรงรับปฏิญาและเสด็จอุบัติครับ โพทรแห่งพระนางจันทเทวีพระนานสงทรงทราบว่าตั้งพระคันจึงทูลพระราชสวามีให้ทรงทราบ พ, พระราชาทรงปีติโศภนัตเปนน็นล้นคลทรงให้การประครบประงมอย่างดียิ่งเมื่อครบกำหนดแล้วพระนางข้อประสูนยพระโอรสอันสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดมวันนั้นฝนตกลงทั่วกาศิกรรัต พระราชาพระราชาทานนางนมหกสิบสี่นางล้วนเป็นผู้มีลักษณะปราศจากโทษมีสูงนักเป็นต้นเพื่อให้ทารกปราศจากโทษด้วยสตรีที่สูงนักเมื่อทารกนั่งเดินนมคอของทารกจะยืดยาวเกินไปสตรีที่ต่ำนักคอของทารกจะสั้นสตรีที่ผอมนักขาทั้งสองของทารกจะเสียดสีกันสตรีที่อ้วนนัก เท้าทั้งสองของทารกจะเพรียสตรีที่ดำนักน้ำนมเย็นเกินไปสตรีที่ขาวนักน้ำนมร้อนเกินไปสตรีที่นมยานจมูกของทารกจะแบนสตรีที่เป็นโรคผืดนน้ำนมเปรี้ยวสตรีเป็นโรคบางล้อน้ำนมมีรสวิการต่างๆมีรสเผ็ดเป็นต้น พระราชาทรงกระทำราชูประถมแก่พระโอรสเป็นอย่างดีและพระราชาทานพรแก่พระนางกันทเทวีข้ามาเหสีพระนางทรภรัพรแล้วถวายขืนไปก่อนในวันขนานประนามพระาพราชาให้ประกอบเป็นพิธีใหญ่เชิญพราหมณ์ผู้รู้พยากรณ์พลศนามาเลี้ยงอาหารที่พระราชวังและตรัสถามถึงอันตรายของพระโอรสว่ามีอะไรบ้างหากมี จะได้หาวิธีกําจัดหรือหลีกเลี่ยงเสียพรามทั้งหลายดูพลศลากามตําราพยากรศาสตร์และถึงว่าพระราชโอรสไม่มีโทษใดๆเลยทรงสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดมทรงสามารถเป็นราชาธิราชได้พระเจ้ากาศีทรงสดับแล้วดีพระไทยขนานพระนามพระราชโอรสว่าเตมียกุมารเขาถืออานิมิตว่า ในวันประสูติมีฝนตกชุ่มชื้นทั่วแวรนคาสีและเพราะเหตุที่พระราชกุมาร น, นำความชุ่มชื้นเบิกปานตะไครมาให้ทั้งแก่พระองค์และประชาชนของพระองค์ทั้งบวงคราวหนึ่งนางนนทั้งหลายตกแต่งพระกุมารอย่างดีแล้วนำขึ้นเฝ้าพระราชาบรมกษัตริย์ทอดพระเนตรพระปิโยรสแล้วทรงสวมกอดจุ่มพิษอิปเสียง ให้ประทับบนพระเพลาที่ร่วมรวมอยู่ขณะนั้นราชบุรุษจนำโจรสี่คนมาที่หน้าพระที่นั่งพระราชาทรงฤทธิฉัยตัดสินเรื่องเองรับสั่งให้ลงอาญาโจรเหล่านั้นออกับวิธีต่างๆกันคือให้เคี่ยนโจรคนหนึ่งพันทีด้วยหวายที่มีหนามให้เอาโซ่ตรวนจับโจรคนหนึ่งแล้วส่งเข้าเรือนจําให้เอาหอกแทงสมีระของโจรคนหนึ่ง ให้เอาหลาวเสียบโจรอีกคนหนึ่งเตมิยะกุมารได้ทรงสดับพระดมัชย์ของพระราชบิดาดังนั้นทรงสะดุ้งเป็นอันมากทรงจินตนาการว่าโอ้ราชสมบัติทําให้บุคคลต้องทํากรรมหนักทึ่เพียงนี้หรือกรรมนี้เป็นกรรมที่ทําให้บุคคลไปสู่สวรรค์ไม่ได้เลยมีแต่จะดิ่งลงไปในนรก โยพระราชาคุมาบันทมภายใต้สวิตประชดทรงมองเห็นสวิ ต, รตประชดเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นสิ่งบังคับให้คนต้องทำบาปทรงจรินตนาการต่อไปว่าเรามาจากไหนหนอระดัน บ, บนั้นการรัชชาตเข้าพากดแกงง่พระองค์พระองค์เคยเป็นกษัตริย์คลองราชสมบัติแตแค้นกาสีเป็นเวลายี่สิบปีและต้องตกนรกคืออุดสุดนรกถึงแปดหมืนปี แล้วจึงไปเกิดทะปกติโลกสวรรค์บัดนี้มาเกิดในเรือนหลวงอันเป็นดุดเรือนโจรอีกหากองราชสมบัติต่อไปก็จะต้องเวียนไปตกนรกอีกบัดนี้สรีละกายและพระทัยของพระราชกุมารก็เหี่ยวแห้งเช่นดอกปฐุมที่ถูกขยำทรงจินตนาการอยู่ว่าะไหนหนอเราจะค้นจากเรือนโจนรนี้เสียได้ พอทรงจินตนาการมากเข้าก็ทรงพบช่องทางคือตั้งพระทัยจะทมไบหนวกและทาเป็นคนง่อยเปลียดเสียขาเพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นว่าพระองค์เป็นกาลคณี ไม่ควรแกการครงราชสมบัติต้องไม่ประกาศความฉลาดรอบรู้ของตนเป็นอันขาดตั้งแต่บัดนั้นมาพระโพ ธ, ธิสัตก็ทรงอธิษฐานพระทัยว่าไม่ใบก็จะทําเป็นใบไม่หนวกก็จะทําเป็นเหมือนหนวกง่อยเปียก็จะทําเป็นเหมือนง่อยเปียเมื่อกุมาเอื้อมนึ้นเป็นบริวารของพระองค์ร้องไห้อยากดูนมพระองค์ก็ไม่ทรงการแสง ถูกทรมานให้อดทนวันหนึ่งบ้างสองวานบ้างเพื่อให้ทรงทันแสงมาเด็กอื่นแต่ก็ทรงอดทนทรงอธิษฐานพระไยมั่นคงว่าจะยอมตายดีกว่าทำลายความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวดีเพราะองค์ทรงเกรงภัยในนรกมากกว่าภัยในโลกมนุษย์พวกนางรมสงสัยเหลือประมาณว่าพระราชาโอรสจะเป็นป้า่เปรียหรือไน แต่พิจารณาทั่วกายแล้วก็ลงความเห็นว่ามือท้ายของคนไหยเปรียไม่ใช่อย่างนี้คางของคนใบไม่ใช่อย่างนี้ช่องหูของคนหนวกไม่เป็นอย่างนี้พวกนางนมทั้งหลายก็ทดลองโดยให้อดน ม, มอีกดูทีหรือว่าพระกุมารจะทรงกันแสงหรือไม่แต่พระราชกุมารก็ไม่แสดงอาการใดๆเลยนอกจากนิ่งเฉย จนพระราชชนนีไม่อาจทนได้ก็ให้พระโอรสสวยนมของพระนางเองต่อแต่นั้นพระราชกุมารถูกทดลอง้วยการเอาขนมมาล่อเอาผลไม้มาล่อเอาของเล่นมาล่อพวกเด็กเอลึกซึ่งเป็นบริวารต่างก็ยแย่งกันแต่เตมยกุมารคงประทับนิ่งเฉยไม่ได้สนพระทัยเลยเพราะทรงดำริว่าของเหล่านี้เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตร ได้บริโภคมาแล้วนับไปทวนมู อ, อมาดกราบทูลพระราชาว่าเด็กรุ่นห้าขวบย่อมขวไฟข้าพระองค์จะทดลองด้วยไฟดังนี้แล้วจึงตูกรือนใหญ่ที่พราะานหลวงมีประตูมากมายให้มึงงด้วยใบตาลอัญเชิญพระโพ ธ, ธิสัตว์ให้จระทับนั่งท่ามกลางแวดล้อมแห่งเด็กที่เป็นบริวารแล้วจุดไฟขึ้นเผาบ้าน เด็กทั้งหลายเห็นไฟไหม้ก็ตกใจตัวพากันิหนีแต่พระโพธิสัตว์ทรงจินตนาการว่าไฟนี้ร้อนน้อยนักเมื่อเทียบกับเพลิงในนรกจึงประทับนั่งเฉยไม่ได้ลุกขึ้นมเมื่อเพลงโหมเข้ามาใกล้ผู้อรมาทพราชบริพาน์ทั้งหลายก็รีบไปอุ้มพาพระโพธิสัตว์ออกมาเสียพระโพธิสัตว์ถูกทดลองด้วยวิธีนี้เป็นเวลาถึงหนึ่งปี แต่ไม่ทรงสแสดงอาการพิรุษแต่ประกาใดต่อมาถูกทดลองด้วยการปล่อยช้างซัดมันให้พระโพธิสัตว์ประทับั่งที่พระลานหลวงมีเด็กเป็นอุปเเวดล้อมช้างนั้นบรรลือเสียงโจทนาดเอาวงตีแผ่นดินเด็กทั้งหลายเห็นทางนั้นก็พากันกหนีแต่พระโพธิสัตว์ทรงดรับดีว่าการตายเพราะช้างยังประเสริฐกว่าการไปตกนรก จึงประทับนิ่งเฉยไม่หวั่นไหวช้าง น, นั้นได้รับการฝึกฝนดีแล้วเอางวงจับพระโพธิสัตว์เหมือนจับกำดอกไม้แต่ไม่ทำอันตรายราชบุตรเห็นดังนั้นจึงไปช่วยรับด้วยอาการถนอมต่อมาถูกทดลองด้วยมูด้วยมหาราศพมีการฟ้อนราขับร้องไปต้นด้วยสตาวธุธดยการให้เป่าสังใต้ที่บันทม ดูเสียงกรอง้วยประเทศโคลไฟเรื่แมลงวันคืออานุไหวทาทว ร, รากายแห่งพระโพธิสัตว์ก็ให้มแมลงวันตอมโดยการไม่สูงล้ำให้ไม่จัดให้ได้ดลงบางคนแม้จมอยู่ในกองมูดคูดมีกลิ่นเหม็นคุ้งพระโพธิสัตว์ก็ทําประทับเฉยเตมยกุมาถูกทดลองนานาประการยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วนี้แต่รับทุกขเวทนาเป็นอันมาก จนพระไทยแห่งสมเด็จพระราชชนณีหวั่นไหวปวดร้าวไม่อาจทนดูได้จึงคอยช่วยเหลือและตอบโยนว่าพรอเจนมีเอ่ยหากจะไม่ใบไม่หลวกไม่งอญเปลี่ยเสียขาก็จงแสดงอาการตามปกติเช่นคนทั้งหลายอย่าได้ทําใบาทําหนวกเลยแต่พระโพธิสัตว์มีพระไทยแน่แน่เสร็จแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้สิบหกพรรษา ก็มัดวมทังพระชนกชุนนีมีความคิดตรงกันว่าธรรมดาบรบรุษอายุขนาดนี้ย่อมพอใจในสตรีที่สวยงามจึงปารถนาทดลองด้วยสนมนารีผู้ทรงสตรีโสภาคจึงจัดแจงอาบน้ำหอมอย่างดีให้กระปูดิสัตต์และประดับประดาด้วยสัพพาพรให้บรรทมบนพระยี่ผู้อันมีสรีแล้วให้สนมนารีล้วนแต่จงเกยตาให้เข้ามาสู่ห้องมรรท ร้ารำยัย่วยวนกวนการม่กิเลสเข้าไปใกล้กระซิบวาววอด้คํคำหวานเป็นเชิยงเชิญชวนให้ร่วมอภิรมแต่พระโพธิสัตว์ก็มั่นอยู่ในอุเบกขาธรรมหาได้วันไหวและวิสภาคารมอน่าตื่นเต้นระทึกใจนั่ไม่พระองค์ได้ก้าวล่วงพ้นอารมณ์อตัตยิสัยแห่งโลียชนเสร็จแล้วเพราะการกลัวภัยในอบยัย การทดลองต่างๆได้สิ้นสุดลงด้วยประการดัชนีเป็นเวลานา น, านถึง16ปี มกษัตริย์สิทธราชทรงร้อนพระทัยเป็นหนักหนาเรียกพรามทั้งหลายมาตัดถามความกล่าวว่าก่อนนี้ราชกุมารจะสูติไปไหม่ท่านทั้งหลายทั้งหายว่าราชกุมาร น, นี้อุดมด้วยลักษณะแห่งผู้มีบุญทุก ป, ประการแต่เวลาสิบหกปีได้พิถุได้เห็นว่าคําทนายของท่านนั้นผิดโดยสิ้นเชิงโอรสของเราเป็นไม้ตป็นหนวกทั้งไม่เปื่อยเสียขา การจะถทำประการใดพวกพรามณทั้งหลายกล่าบทูลว่าการใดๆที่พวกข้าไปพุทธเจ้าไม่ทราบถามดีไม่แต่ได้เกรงว่าพระองค์จะทรงโทรมนัดประสงฆ์ทราบจะเบื้องต้นว่าพระโอรสของพระองค์จะเป็นชน่นีจึง ไ, ได้ทูลความตามเป็นจริงโอรสของพระองค์นั้นเป็นกาลกาันนีหากอยู่ในพระละครจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นสามประการคืออันตรายแห่งชีวิต อันตรายแห่งสุยกระชัตและอันตรายแห่งอัครมเหสีพระราชาทรงสดับดั ง, งนั้นวันพระไทยกระถามว่าเราจะพึงทำอย่างไรต่อโอรสพวกพรามปราบทูลว่าต้องนําไปสังทั้งเป็นที่ตาชา้าผีดิษฝ่ายพระอัครมเหสีผู้เป็นพระราชชนนีได้ทรงทราบข่าวนี้ร้อนพระไทยยิ่งนักจึงรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว ทูลอ้อนวอนให้ทรงปฏิบัติตามคำแนะนำโคตรามและทูลทวงถึงพรที่พระราชาได้เคยพระราชทานเมื่อประสูติพระโอรสใหม่และพระนางถวายคืนไว้บัดนี้เป็นโอกาสที่คณะจะทูลขอพอรนั้นแล้วเมื่อพระราชาทรงอนุญาตจึงทูลขอราชสมบัติให้ราชโอรสแต่พระราชาไม่ทรงอนุญาตโดยทรงห้างว่า เตเนยกุมารไม่ใช่เป็นบุคคลสมบูรณ์พระนางจันเทวีอัครมเหสีพยายามอ้อนวอนขอราชสมบัติให้พระโอรสครอบครองเพียงเจ็ดปีแต่พระราชาไม่ทรงอนุญาตพระนางทูลขอเรื่อยมาหกปีห้าปีหนึ่งปีจนถึงขอให้พระโอรสครองราชเพียงเจ็ดวันพระราชาทรงอนุญาตเพียงเจ็ดวันไม่เป็นดังนี้ พระนางจันเทวีจึงให้ตกแต่งพระโอรสเป็นพิเศษแล้วให้เปาประกาศไปโทษพระนครว่าบัตรนี้พระราชสมบัติเป็นของเตมิยกุมารทรงให้ประดับประดานครอย่างสวยงามให้พระราชกุมารประทับนั่งบนขอช้างยกเศียรตฉัดขึ้นเหนือพระเศียรแห่งพระราชกุมารนั้นกระทําประทักษิณพระนครเมื่อกลับแล้วพระอัครมเหสีจึงร้องวอนพระราชโอรสว่า เตือนิยารุกรักแม่มเป็นอลับอ น, นอนพระเจ้าขอเจ้าจงเห็นใจแม่บ้างเกิดสิบหกปีแล้วที่แม่ต้องร้องไห้ดวงตาของแม่ฟกช้ำว่าใจของแม่เหมือนจะแตกสลายเพราความโศกแม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนห้อยเปลี่ยไม่ใช่คนไหม้หรือคนหลวกเหตุไฉนลูกถึงทําชนนี้เห็นใจแม่บ้างเถอะลูกขอลูกจงเดินจงพูด คิดว่าเพื่อความสุขของแม่และเพื่อความสุขรุ่งเรืองของลูกพระนางเฝ้าอ้อนวอนพระโอรสดีเช่นนี้เป็นเวลาห้าวันแต่ไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะราชกุมารคงประพฤติพระองค์เช่นเหมือนเดิมเมื่อถึงวันที่หกพระราชาตัดเรือกนายพลันทะสารธีมารับสั่งว่าพรุ่งนี้เช้าให้จัดแจงรถเทียมะอาวบมงคลสองตัว นำเจ้าชายเตมิยะไปฝังเสียหนป่าชา้าผีดิบเมื่อฝังลงไปแล้วก่อนกดดินให้เอาสันจอบทุกทิษะให้ตาย ไรลูกจะไม่ถูกฝังท้งเป็นแม่ก็จะมีความสุขความหวังของคนทั้งปวงที่อยากได้รัชทายาทไปสุพราจสมบัติก็จะเต็มเปี่ยมการพูดของลูกเพียงคำเดียวจะเป็นประโยชน์แก่คนทุกฝ่ายตลอดถึงแค้นกาสีของเราด้วย